มันต้องเอามาเพื่อประดับตัวเองการศึกษานี่เหมือนกับเครื่องประดับถ้าเราประดับไม่ดีมันก็ไม่ดี <c oughs> สมมุติให้ฟังสมมุติมือเรามีห้านิ้วหแหวมนมันมักสวมเล่มเล่มเม เ, ม เ, มเมนี้ยเดี๋ยวนิ้วนางเอาถ้ามาสวมนิ้วโป้มันไม่ดีเ <c oughs> ขาจะเรียก ว, ว่าคนบ้าถ้าเอาแหวมนมาสวมนิ้วโป้เขาว่าคนบ้าถ้าเอาสวมนิ้วนางก็มันดีเพราะว่าปกติมันเป็นอย่างไง วันนี้ดิ้วมือทั้งห้านิ้วเนี่ยมันจะมีคิดจมีคุณค่าเท่ากันถ้าจะไปถือวันนี้โป้เนี่ยใหญ่เต็มที่ก็ไม่ดีควันนี้โป้มันก็ต้องใช้หน้าที่ของนิ้โป้เนี่ยพอหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังตรงนี้วันนี้นิ้โป้เนี่ยจะว่าดีคนเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยดิ้วนี้เนี่ยซีนีนีก็อาศัยดิ้วเนี่จะอาศัยดิ้วนี้ว่าเราดีคนเดียวก็ไม่ได้ดิ้วนี่มันต้องสูงสูงคุณาังมือห้านิ้ว เนี้ยนี uh ่ถ้าม oh, ันถัดลงมาว่าม oh. oh, okay. ันไม่มีคุณดุลมงามมันก็ได้มันยังมีเครื่องประดับเล้เคยเห็นไหมเคยเห็นเอาแหวนเพชรอะไรมาสวมนิ้วนี้เลือสอนสวมนิ้วไหนสวมนิ้วนี้ใช่ไหมเลือเลือดสวมนิ้โป้ใครเห็นสวมนิ้โป้นะเส้นนิ้กลางนิ้วนี้เลยอ๋อเนี่ยกลับผมยังไม่เข้าใจต้องสวมนิ้วนี้นิ้วนางเอานิ้วนา นิป้อยมันเนี้ยมันก็ยังดีนิ้วป้อยก็ดีเวลาเรากราบผ้าเราทำนี้ไปก่อนนะเข้าใจไหมนกกาผ้าตอนทงนี้ไปก่อ น, น, น, น, นอกกาบครูบาอาจารย์ตอนทำนี้ไปก่อนนิ้วป้อยมันดีเนื้อจะจบที่เล็กๆมันก็ได้ก่อนที่หูก็ได้ก่อนจมูกก็ได้น่อย ด, ดีคือไม่เอานิ้วโป้งเข้าไปก่อนไม่ได้เ <laughs> <laughs> นี่ยคุณค่าของมันนะเอาไม่ไม่เป็นไรพูดกันให้รู้จัก อันนี้เราคุณค่าของหมือนการศึกษาเราเรียนเรารู้จักเคารพนับถือไปอย่างนี้ตามฐานะเรียกครูบาอาจารย์วิดามาดาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นนักศึกษา้เราเรียนมาดีแล้วบางคนก็ก็ถือว่าผมรู้นั้นบางทิอผิดก็ได้ผูกก็ได้ดังนั้นที่หลวงพ่อมานี่ก็เพื่อจะคํามเข้าใจพวกเราจะไม่ใช่มาสอนเนีย่ยมาทำความเข้าใจ ก็ไม่มีคนรู้จะสอนพวกคุณนะเพาคุณเรียนมาเลยนะคือปริญาเตปริญาโทรปริญาเอกก็มีแลอยู่ที่นี่เป็นครูก็มีหรือคนเคยทําการทํางานโรงพยาบาลก็มีนคะุณอุมคทร์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะีนะ่นึกหัวหนึ่งเลยเขาทายนะบอกมีเสียงมาวนะัานนี้อาจารย์สุสีเขาเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหม เอย่างแบบนี้ใครทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีแล้วอันนี้แหละความทุกข์ของกเรียนถ้าเราเรียนมาแล้วอันนั้นมันเป็นเครื่องอํานวยมันเป็นเครื่องประดับเนื้อประดับเนื้อ ป, ประดับตู้ผมรู้เนี่ยแต่ว่าจิตใจนั่ น, นี้เราไม่เอาอะไรไปประดับมนเอาอะไรไปประดับมันต้องเอาธรรมะไปเอาคําสอนของพระเจ้าย ไ, ไปประดับอย่างวันที่หลวงพ่อทำให้ตัพ่อแม่เคยสอน นิโป้งมันดีไม่ดีดียังไงมันก็ใหญ่ก็งอทั้งหมดอ๋อไม่เห็นอะไรได้ไหมมันไม่ทําอะไรได้มัมนจะไไ แ, แปะโป้งตนเองคนเขียนมันซื้อไม่เป็นหลวงพะอไปทําขอให้เซ็นซื้อไม่เป็นว่า <c oughs> ต้องแปะโป้เนว่ะเกี่ยวข้องกับระเบกฎหมายบ้านเมืองมีโป่ง <c oughs> คนเขียนเขาซื้อไม่เป็นเคยเห็นไหมแปะโป้เข้าไป เ, นะเอาดิโป้งมันมีหน้าที่แปะโป้งบ้างดิ้วซีน่ะมันหน้าที่จะซีคนนั้นคนนี้เขาว่าหนึ่งดิ้วซีจะซีคือขู่หรือพูด เรียกว่าพ่อแม่เราก็เป็นผู้ปกครองลูกก็ต้องอาสั ย, ยดิวซีเมือ่อซีผิดก็ยังไปเอาด้วยอีกแนี่นี่ขนาดนี้ดิวซีนี่ก็ใหญ่เดือนนี้นี่ก็สูงนะเขาฐานกันเรื่อมาหา้านี่เนี้ยใครใจใหญ่เดือนเราไม่มีที่ดิวซีเธอใหญ่เธอทําทอะไรได้นะเมื่อจะทําอะไรก็ต้องอาศัยสันดิวซีบัตซีก็ต้องคนที่ด้วซีนะเธอมีหน้าที่จะซีนะเนี่ยยังไม่สูงพอสันเดี๋ยนี้มันสูงก็เกินทั้งหมด เธอสูงก็จริงแต่ไม่เคยมีใครประดับเธอกัรประดับยุคนี้เข า, าประดับที่มาถ้ามีแหวนก็ต้องประดับที่มาเนี่ยก็้อยในอันจ้อยวัดแต่ไม่มี่ยนะอาสันเองเคยเป็นผู้นาไหว้พระดูหนึ่ยุนี้สันมาก่อนทา น, นสันเดินหน้าน อ, อันนี้ก็เหมือนกันที่ที่เราถ้าจะบรรยายเรื่องนี้ก็มาดังนั้นเราพอจะให้มีระเบียบวินัยคือพวกเราศึกษามาดีแล้ว จะไปทําอะไรอะไรมันต้องมีระเบียบวินัยถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยเลยคนอื่นจะมองเราในทางที่ผิดมาบ้านนี้พวกเราเนี่มีความรู้จะไปทําอะไรก็คลองตัวสมมุติจะไปทําหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปทดลองก็ได้เอาลงพ่อไปด้วยหาลางพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นเอาหลวงพ่อเขียนหนังสือไปเขียนใหม่ได้ให้พวกคุณนี่เขียนได้ทันทีเลยเป็นอย่างนั้นอเนกต้องอาศัยกันเป็นหลังสิ่งนั้ วันนี้ที่มาพูดเรื่องธรรมะหลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อพูดธรรมะได้เรื่องชีวิตหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้จริ ง, รงๆเนี่ยรู้ละลับหลวงได้ซะด้วยหลวงพ่อไม่เคยมีชีวิตสําหรับคนอื่นดังนั้นธรรมะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตวันนี้ที่เครื่องประดับน่าก็ต้องจําเป็นเพื่อโลกเขาจะมองเห็นการคมนาคมการไปการมาอะไรต่างๆเนี่ย โลกเขาจะมองเห็นเรื่องรูปกายภายนอกการแสดงออกมาแต่เรื่องจิตใจนั้นหลวงพ อ, อยู่กับเพื่อเดี๋ยวนี้นะ่ะจะหาว่าลวงพ่อมีทุกข์ก็ได้เพราะคนมองไม่เห็นจะหามาลงเพราะไม่มีทุกข์ก็ได้เพราะมองไม่เห็นดังนั้นรูของธรรมะนั้นจึงใครได้รู้แล้วคนนั้นจะรู้เลยคนใดไม่รู้คนนั้นก็จะรับเอาลูปของธรรมะไม่ได้เหมือนที่อ า, อาจารย์พ่อเอง ถามหลวอท่านถามไปปฏิบัติธรรมมาแล้วท่านก็เลยถามสมัยนั้นหนูก็เป็นอยู่น้ําอ้อยหวานไหมขัทนทามแล้วพวกพวกคุณน้ําอ้อยหวานไหมเฮ้ย ห, หวานใครว่าน้ําอ้อยไม่หวานพุ่มลดน้ําอ้อยหวานเป็นยังไงลดน้ำอ้อยหวานเป็น เดี๋ยวนี้เราพูดแล้วน้ำอ้อยหวานน่ะความจริงน้ำอ้อยไม่หวานน้ําอ้อยยังไม่ได้อยู่กับเราในเดี่ยงนี้น้ำอ้อยมันอยู่กับทออยู่ที่ไหนมันยังอยู่สวนอ้อยเราไม่ได้กินอ้อยจะไปทัวหวานมันไม่ได้เราก็ต้องที่ว่างานชิ้นใดก็ตามน้ําอ้อยไม่ใช่มีรสหวานแต่รสหวานอยู่กับน้าอ้อยต่อเมื่อเราได้กินอ้อยเข้าไปในขณะใดในขณะนั้นเราจึงจำรู้ว่ารสอ้อยมันหวานได้หลวงพ่อก็เลยพูดอย่างนี้กับกับอาจารย์ อพูดไม่เหมือนเขามันจะเหมือนเขาทําไมท่านก็นเลยมาถามว่าหมักพริกเผ็ดไหมเอ๊ะผมไม่รู้หมักพริกก็คงจะไม่เผ็ดแต่มันถึงจะเผ็ดไม่เผ็ดไม่สาดเดี้วเพราะหมักพริกก็ยังไม่ได้มีอยู่ที่เราเรายัง ไ, ได้กินกพริกเมื่อเราทานมักพริกเข้าไปในขนาดไหนเวลาใดเราจะรู้รสของมักพริกในขนาดนั้นเวลานั้นและวิ่งนาทีนั้นจริงๆอันนี้ก็เหมือนกัน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 การทําการพูดการคิดอะไรเราต้องมองในแง่ผิดไห้าเมื่อเราในมองในแง่ผิดแล้วเราจะได้เห็นความถูกต้องคําว่าสัมมาทิฏฐิในที่นี้พวกคุณได้เรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นอย่างถูกต้องความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องไม่มีทุกจริงจริงถ้าเห็นไม่ถูกต้องมันมีทุกจริงจริง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 ภาคอีสานก็เหมือนกันเมื่อไปประสบภาคนั้นก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันอันนี้สิว่าเราเป็นนักศึกษาคำว่านักศึกษาเนี่ยต้องทุกแง่ทุกมุมศึกษาให้รู้ชีวิตทุกแง่ทุกมุมจริงๆที่ที่เรามาพูดกันนี่คืออยากให้เรามีระเบียบวินัยนั่งสภาพเส้นนั้นนักศึกษานั่งอย่างนั้นก็จะรู้แต่เรื่องเราไปนั่งทำํำยังเดิมเรามันก็ไม่รู้จะใครเหมือนกัน อันนี้หลวงพ่อเคยเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็น <c oughs> ที่หลวงพ่อไปเห็นคนเมืองเลยเขียนหนังสือไม่เป็นจริงๆท้าเททํากับเหมือนนักศึกษาแล้วให้อ่านหนังสืออ่านไม่ได้เด็กน้อยวัยลุ้นอายุสิบหกสิบเจ็ดปีหลวงพ่อเคยถามเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วก็ท้าเทเหมือนกั็นนักศึกษาบัด น, นี้พวกเราเป็นนักศึกษาเมื่อเมื่อ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 ไม่ผิดเลยธรรมะที่มีในหลักรรสูตรทำสันติมีสี่ข้อดึกข้อที่แรกที่สุดว่าธรรมที่มีอุ ป, ปกรณมากสองอย่างคืออะไรบ้างสติกะละ ล, ะลึกได้สองสำปราสัญญัติผลรู้ตัวแต่เราพูดได้คือเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่รู้น้อยที่สุดเนี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปว่า ทำอันทําให้งามสองอย่างหนึ่งขันติปุพุทโธสองโสดะจางพุทธสังโฆทำที่เป็นโกกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างอันนี้นักธรรมเขาสอนกันบุคคลมาได้ทันทีทีิขมละอายแก่ใจโอตปะกมเกณฑ์โอตระบากรรมบุคคลหาได้ยากสองอย่างคือบุคคกาลีบุคคลหาได้ยากสองอย่า ง, คคาาอ ง, อางเช่นลูกศิษย์ กับครูการตะยุกตะตาระตะเรทีคือผู้ที่ให้ความรู้แก่เราเราก็ต้องสนองในตอบแทนเส้นบิดามาดาเคยเลี้ยงเรามาเราให้ท่านมีความสุข ด, ด้วยเราอย่าให้ท่านมีความสุขด้วยเราเส่นครูอาจารย์ก็เช่นเดียวกนะันท่านสอนความรู้ให้เราเราก็ต้องสนองตอบแทนท่านอันนี้ครูสอนอันนี้รู้จักที่หลวงพ่อพูดมันนี่รู้จักรู้จักไม่ใช่รู้แจกไม่รู้จริต การรู้แจ้งรู้จริงกับรู้จานั้นจึงเป็นคนรู้กันรู้ไมเหมือนกันคนะําว่าทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคม ล, ลึกได้ต้องระกลึกได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ก่อนทําตอนพูดกอนคิดเขาว่าอยจังเขาเขาว่าจั ง, งเมื่อปุชเชนดีก็เลยมาพูดเอาทีเดียวว่าทำที่เป็นโลกกบาลคุมของโลกสองอย่าง นี่นคุ้มละอายแก่ใจโอตปะปาคมเก่งโกตะบากกำคำว่าละอายแก่ใจนี่ไม่ค่อยเข้าใจคือแต่คนก็ยังไม่อายอยู่แล้วไม่มีคุ้มละอายแก่พักแก่พวกอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเรามีคุ้มละอายแก่ใจจริงๆอต้องละอายจริงๆตอนนี้อยากให้เราละอายจริงๆทีนี้คุ้มละอายโอตะปะคมเก่งโพตะบากกำเคยรูลบากไหมเคยรูลบาง บาปเป็นยังไงเคยรู้ไหมมันจะละอายมันได้ใครเคยรู้บาปเห็นตัวบาปไหมฮะไม่เห็นเคยเห็นบาปไหมเบาปเคยเคยเห็นบาปไหมใครเคยใครเคยเห็นบาปมาพูดให้ฟังไม่เคยเห็นบาป ห, หรือไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นมันจะละอายมันได้ทํายังไงนี่เนี่ยนี่นี่ผมละอายแกลใจ ตลัวตบะกลัเกงกลัวตบะมันจะกลัวมัได้ทําไมเมื่อไม่เห็นเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้นั่นแหละทำทใจใจเศร้ามองถ้าใจใจเศร้ามองไหนขณะไหนในเวลาใดอันนั้นต์สว่าบาปแล้วเราไม่ต้องละอายตบาะไม่ต้องกลัวตวบาะแล้วเราอยากให้จิตใจเราเศร้ามองอยาให้จิตใจเรามีโคมโกคมโรคโคมโลค ม, ลมลนี่คือ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 หลวงพเห็นคนจะกลัวตบบาปกรรมทำไมยังทําให้บาปอยู่แล้วมันจะกลัวมถ้ากลัว บ, บาปกรรมแล้วต้องไม่ทําให้บาปกรรมเกิดขึ้นอันนี้จําไว้มันดีที่ตำราเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราต้องมาเฝ้ามองดูที่จิตใจของเหล่านี้การทําการพูดการคิดเราต้องมองเราไปถึงจิตใจ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 มันจะใส่ไม่ได้เอาดีโพซีก็ไม่ได้มันไม่ใส่มันเมตเดนนิ้วมือทั้งสี่นี่เลยปุ๊บแล้วก็จะเอาดิโพซีนี่ซีเนี่ยมันไม่ไม่สวยคือยกให้เป็นเรื่องอันนี้คือว่าสังคมทั้งมือท้งนิ้วเนี่ยดูด้วยกันได้สบัดคำกัปั้นกันได้สวยดีสวยดีถ้าคำกับปั้นไม่มีนี่กบบมีเนี่ยนี่มันก็ไม่สวยอันนี้ให้บอไปไหนมาไหนมีระเบียบเรียบร้อยวัวแตกแยกเนี่ยทําให้ตัว จีบหายตายโหงมาทันคีามแตกแ่ยเคยได้ยินไม่ประวัตของพวกคุณคงจะได้เรียนเรื่องนี้เขามีนิทานคําวม่านิทานเนี่ยเคยได้ยินบางบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องพ่อแม่ปูย่าาย่าตายายเคยเล่าให้หรือพ่อฟังงูตัวเดียวมีหัวกับหางหัวกับหางทะเลาะ ก, กันวันหนึ่ง เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินงูตัวเดียวผิดกันได้เถียงกันได้ทะเลาะ ก, กันได้หัวกับหาหัวก็ว่าเคยเป็นผู้นําใหญ่นะกกูนํำมึงมาทุกวันทุกวันเอวันนี้วันเนี้อ่ะกูไม่ไปกับมึงนะไอ้หางก็ไม่ไปกับมึงนะมันทะเลาะ ก, กันขึ้นมาหัวกับหางองูตัวเดียวทําไมทะเลาะ ก, กันได้แล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราไม่ได้ดูตัวเรา เราไม่ได้มองทะลุลงไปถึงจิตใจคือมันเร็วเกินไปถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่หี่หลวงพอพูดไม่เป็นหลวงพอพูดเป็นแต่ภาษาที่หลวงพ่อเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่เคยเราให้ฟังวันนี้ก็หางก็ไม่ไปกับหัวเหมือนอา้าวมึงไปกูไม่ไปถ้าไปให้กูนำนะเ เ, เธอจะนําได้ทําไมเธอไม่มีหัวไม่มีตาไม่มีหูเดินได้ทำไม อ้าวมึงไม่กูมึงไม่ให้กูนั่งกูก็ไม่ไปกับมึงเถียงกันเอ๊ะเธอไม่มีตาจะเดินได้ทําไมเนี่ยมึงไม่ให้กูไปมึงไม่ให้กูนั่งกูก็ไม่ไปกับมึงมันเอาหางไปเกอกต้นไม้ไปพันกับต้นไม้เอาหางเคยออกหางมูเกี่ยวต้นไม้เคยรู้ไหมใครใครเคยรู้เอาเอาเอาหัวเกี่ยวไม่ได้นเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวต้นไม้ พอดีหางมันเกี่ยวจนไม่แล้วหัวมันก็ไปแล้วไปมันก็ไปไม่ได้หาไม่ไปด้วยมันเข้าใจที่หลวงพ่พูดเนี่ยคิดให้แน่นอนนะพอดีหางไม่ไปหัวมันก็ดิ้นดอกแดกดอกแดกอยู่มันก็หิวเข้าทุกวันทุกวันหิวเข้าเลยไม่ได้ไปแล้วเมื่อไม่ได้ไปมันก็หิวท้องมันหิวมันไม่ได้กินไม่ได้กินมันก็โกรธแล้วบันหัวมันก็โกรธแล้วมันมันไม่อยากตายมันก็โกรธขึ้นมา มึงทําไมไม่มึงมึงทําไมจะไม่ให้กูไปเลยกูยไม่ไปกับมึงมึงจะไปกับไปตีต้เหัวกูไม่ไปเนีหามันไม่ยอกไปไม่ปล่อยไปแล้วอ้าววันนี้ก็มันเหี้เอามึงจะพากูไปกับไปบ น, นี้เอากูยอมมึงอ่ะมึงให้กูไปกูกลับไปตี้มึงกับมาหามไปพอเดียหามันแก้วจากหลักแล้วกับเดินไปหามไปหามก็นําหัวไปหางมันไม่มีตานะเข้าใจไหมไม่มีตาไม่มีหูหามกําแหลมไป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 ผลที่สุดหางมันดึงหัวเขาไปตายทั้งหัวทั้งหางหัวกระตายหางกระตายอันนี้นะให้เราเข้าใจเอาไว้นังนั้นอยากให้มีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยแล้วข่มรู้นั้นจะพาเราพิดหน้าศจิบหายไปอันนี้ก็เหมือ น, นกันที่หลวงพ่อในมรรคูนข่มรู้นะั้นถ้าผิดประจากษ์คำข่มรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วมันก็คุ้มครองใจแล้วก็ไม่ได้ ที่ว่าหินิคมละอายแก่ใจโอด ต, ตะปะคมเกมปวดตวบากกรรมเนี่ยคือเราไม่มีคมละอายเราทําเราพูดเราคิดอะไรเราไม่ค่อยมีคมละอายคือว่ามีคมรู้ในบางคนแต่ไม่ใช่พวกเรานะที่หลวงพ่อเคยเห็นเห็นมาเดี๋ยวนี้ลูกไม่เคยฟังคนพ่อคนแม่มีแล้วลูกศิษย์ไม่เคยฟังคนครูบาอาจารย์ก็มีแล้วแม้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไม่เคยฟังคนลูกศิษย์ก็มีแล้วเนี่ยเป็น ไม่ไม่เคยเสื้อถือกันเลยเคือใช้ตามอารมณ์วู่นวายทีเดียวเท่านั้นผลที่สุดทั้งสองทางในจมด้วยกันทั้งนี้เหมือนกับหัวงูัองน้ำงูตัวเองของนั้ น, เ, น, นเราทําอะไรพูดอะไรต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะมีทุกข์ตลอดไปแม่ชีวิตของคนนี้เกิดมาเป็นคนทังชาติน ถ้าหากชีวิตมีทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยความทุกข์มันก็ไม่ได้มีแต่เราไปทําให้มันทุกข์ขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เราเข้าใจอย่างดีให้เราเข้าใจจริงๆแต่ความทุกข์ไม่มีหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆแล้วอาจารย์สุสีอาจจะได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยนะกับคุณอมาพรเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วคุณคงจะได้ยินบ่อยนะความทุกข์ไม่มี แต่เราไปสร้างคมทุกข์ขึ้นให้มันมีขึ้นมาเพราะเราไม่เคยดูใจเลยเอ๊ะเราจะทําลงไปเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมเราไม่ได้คิดเรื่องนี้อยากให้เราคิดเรื่องนี้ให้มากเจ้าหนูอย่างที่วันนี้ก็หนูไปทํางานในบริษัทใช่ไหมอันนี้หนูอยาไปเป็นครูไปสอนนักเรียนแล้วไปเป็นไปไปสอนนักเรียนคงจะสบายกว่าทำงานในบริษัทอันนี้มันคิดบูกขึ้นมา เมื่อคิดว่าเขามาตัดสินปุ๊บไปเลยนี่มันไม่ได้เราต้องคิดว่าเออทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราเออกไปเป็นครูนี่เป็นยังไงเราต้องคิดเราทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านก็ทําให้มันสบายสบายเมื่อเราจะออกจากบริษัทห้างร้านนี้ไปเราจะไปเป็นครูก็ไปเป็นอย่างสบายสบายนี่เองเนี่ยหลวงพ่อเคยเปิดถ้าเราทํางานในบริษัทห้างร้านมีความทุกข์อยู่แล้ว ไปเป็นครูก็จะทุกข์เหมือนเดิมนั่นเนี่ยเนะพราะเราไม่รู้อันนีนะ้ให้เราระวังดีๆให้ครัวบาปกินสีบาปแล้วอันยักหนีจากบริษัทขบากแล้วหยักหนีจากครูขบากแล้วนะพู้เรียนนี้อาจารย์กินสีหรือใครๆก็ตามเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินคนไปพูดอะไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อจำได้คุณก็เคยพูดเนี่นคยคุณทไปเกียรติก็เคยพูดเหมือนกันเนี่ยทำนั้นเดียหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นจะมีใครคิดให้ดี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 เฉยๆเอาคุณทำมีกี่ปีเฉยๆเอาเป็นอย่างไงหนู เ, น, เนี่ยลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดมาแล้วเรารู้จักท้องแม่มามันเป็นอย่างนี้ตลอดมาวันที่เราไปทํางานนะไม่พอใจมีไห ม, มนเนี่ยเนี่ไม่ใช่ชีวิตของเรานะ่ะมันทุกข์เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ทีเดียว เราดูไปที่ตรงนี้แหละเอ๊ะมันพุกขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรมันคิดขึ้นอันที่มันคิดวูบขึ้นมาเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นวันนี้ก็มีหลายคนหลวงพ่อเดินไปให้ดูความคิดตัวเองบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดแต่พวกท่านนเป็นนักศึกษาเรียนมาดีเรียนปริญัติปริยัตโภปริญัตปริยัตเอกมาแล้วก็ต้องมีความรู้ดีแล้วแต่เรายังไม่เคยดูที่ตรงนี้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 หรจะเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ธรรมะคือตัวพวกคนนะั่นคือธรรมะแล้วว่าทําดีทําดีก็คือคนทําทําชั่วก็คือคนทําทําดีใครทําแต่ร่างกายนี่ ม, นมันใช่ไหมมันทำไปร่างกายมันจะทําคือใจมันทําใจมันสร้างออกมาให้ร่างกายทําหรือให้รูปทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ก็ใจมันสร้างให้หลวงพ่อพูดให้มันเอา เอาคำพูดเดี๋มาพูดให้คนฟังนี่ว่าเราเคยเห็นใจเราไหมเราไม่เคยมองลงที่จิตใจจริงๆหลวงพ่อเองอันเนี้หลวงพ่อพูดความจริงใจหลวงพ่อมาเกิดมาจากทองแมนอายุสี่สิบหกปีหลวงพ่อจะมาเห็นใจหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เคยดูจิต ด, ดูใจมีแต่คิดบูบจยาคิดเมื่อไหร่เวลาใดหลวงพ่อไม่รู้สมมุติอยา ก, ยากสูบยาหลวงพ่อสูบไปเลยอยากกินเล้าหลวงพ่อก็กินไปเลย